ยาซีเรียเรื่องตกทองเศษธีจอมละโมกเห็นนัสรูดินนั่งบนพื้นดิน กำลังใช้ตะแครงร่อนอะไรบางอย่างอยู่เศรษฐีจึงถามขึ้นว่าทำอะไรนะ่ะนัสรูดินนัสรูดินตอบว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเรากําลังร่อนเอาทองเม็ดตโตเราจะปลูกในไรนะ่น่ะแม้จะประหลาดใจเศรษฐีอดถามไม่ได้ว่าเพื่อนรักบอกเราหน่อยได้ไหมทองจะปลูกขึ้นด้วยเระอ รัชรูดินตอบอย่างยิ้มยิ้มว่าตอนนี้เรากำลังปลูกอยู่ขีดนึงอาทิตย์หน้าคงได้ท้องเราราวหนึ่งกิโลถ้าท่านไม่เชื่อมาบ้านเราดูด้วยตาท่านเองก็ได้ฟ้าคงอวยพ่อในค่าร่ำรวยแน่ละคราวนี้เศรษฐีคิดอย่างสุขใจแล้วกล่าวว่าอ้อเพื่อนรักเราเชื่อท่านพวกเรามาร่วมกันปลูกนะ เมื่อออกผลทองเราขอเพียงร้อยละแปดสิบเพราะว่าที่ดินเป็นของเราส่วนที่เหลือท่านเอาไปทั้งหมดเลยนัสรูดินตอบด้วยความดีอกดีใจว่าเราเข้าใจถ้าเราเก็บเกี่ยวผลได้หนึ่งกิโลกรัมก็เก็บไว้ได้สองขีดก็ยังดียังได้เพิ่มรายได้เป็นสองเท่าแต่เศรษฐีวิตกว่า เพียงคําพูดไม่มีหลักประการอันใดจึงเชิญผู้พิพากษาคนหนึ่งมาเป็นพยานผู้พิพากษาตกลงเป็นพยานให้ทั้งยังบอกนัสรูดินอีกว่าเจ้าจะปลูกทองที่ใดก็ได้แต่ก็จงจำไว้ว่าต้องส่งทองแปดขีดให้แก่เศรษฐีวันอาทิตย์หน้าเจ็ดวันต่อมา นัสรูดินนำทองแดขีดไปให้เศรษฐีเศรษฐีอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นทองคำแวววาวละลานตาเขาช่างน้ำหนักทองด้วยมือตรวจตราแต่ละชิ้นอย่างรอบคอบในที่สุดตอบว่าเป็นทองแท้สุดแสนจะดีใจจนแทบพูดจาไม่ออกขณะที่นัศสรูดินจะลากลับเศรษฐีพูดขึ้นว่า ท่านจากป็นโคลนฉลาดอย่างยิ่งราวนี้โปรดช่วยปลูกทอง8ปขีดนี้กับของท่านสองขีดอาทิตย์น่ะเอาทองมาให้เรา8กิโลเลยนะอย่าลืมได้ท่านเศรษฐีเราให้จำนวนตามที่ท่านต้องการได้เลยทีเดียวอีก7วันต่อมาเศรษฐีได้รับทอง8กิโลเขาจึงถามนัสโรดินว่าทำไม พันหนปลูกทีละมั่งมากละ่ะนัทสรูดินถามว่าเราจะเอาทองจากที่ไหนกันทันใดนั้นเศรษฐีสัส่งคนของตนนำทองคำสองขีดออกมาส่งให้นัทสรูดินเขาเฝ้าบอกนัทสรูดินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำไว้นะราวนี้ไม่ไถสองขีดหรือสองกิโลแต่เป็นสองหีบอาทิตย์หน้า ต้องเอาทองคำมาให้เราส6บหหีบย้อนขีดนึกก็ไม่ได้นะเจ็ดวันผ่านไปนัสรูดินมาบ้านเศรษฐีด้วยท่าทางเศร้าส้อยเศรษฐีเดินยิ้มร่าตรงไปหานัสรูดินทักว่าโ อ, โ, อโอ้เพื่อนรักของขะเกวียนเทียมลากับทองที่บรรทุกมาเต็มเกวียนคงจอดรอยอยู่ข้างนอกกระมังท่านเศรษฐีที่ก็รพบ สังเคราะห์ร้ายอะไรเช่นนี้นัทสรูดินพูดพลางสะอึกสะอื้นอย่างที่ท่านสังเกตเห็นระยะนี้ขาดฝนไปหลายวันดังนั้นกลาทองที่ตกไว้จึงเฉาตายหมดเราเสียทุกอย่างแล้วไม่ใช่เพียงแค่ผลเก็บเกี่ยวหากเป็นทุกอย่างที่พาะ ป, ปลูกทั้งหมดเษถีกโกรธจนตัวสัน่นโมโหนัทสรูดินตะโกนเสียงลั่น บาดซบจอบโกหกทองเหี่ยวตายได้อย่างไรนัสรูดินได้แต่พูดอย่างสงบว่าขอให้ท่านเรียกผู้พิพากษามาที่นี่ดีกว่าถ้าท่านไม่เชื่อเราผู้พิพากษาถูกตามมาโดยเร็วแล้วพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดในโลกถ้าฝ่ายใดกล่าวคาโกหก จะถูกลงโทษโดยปราศจากความปราณีนัทรูดินกล่าวว่าขอโปรดท่านผู้พิพากษาได้ถามเศรษฐีว่าทำไมเขาจึงเชื่อเรื่องทอง8กิโลที่ได้รับว่าเป็นผลจากการเพาะ ป, ปลูกแล้วทำไมจึงไม่เชื่อว่าทองจะเหี่ยวเฉาตายออเศรษฐีพูดอะไรไม่ออก นัทสรุดินเดินกลับบ้านโดยไม่มีความผิดใดๆแล้วไปคืนทองให้แก่ชาวบ้านผู้ที่เขาขอยืมมาก่อนหน้านี้พร้อมกับดอกเบี้ยอีกหลายเท่าทุกคนต่างขอบใจเขาที่ช่วยสั่งสอนเศรษฐีจอมละโมบผู้นั้นเรื่องนี้สอนว่าความละโมบโลภอยากได้ของเขาทำให้หน้ามืดตามัว ถูกคนเจ้าเล่ห์หลอกได้ง่ายๆจำไว้อย่าให้เขาเอาทองเพียงนิดมาตกทองจากท่านไปได้จะได้ไม่มานั่งเสียใจเสียดายในภายหลัง